คุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนเองการแสดงธรรมตอนนี้ได้มีการปรับปรุงคือจะแสดงประมาณ30นาทีด้วยกันเมื่อก่อนนี้จะแสดงตลอดหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน30นาทีแรก ก็จะเป็นการแสดงธรรมหลังจากนั้นอีก30นาทีก็จะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบจะได้ประโยชน์สองส่วนด้วยกันจะได้ปัญญาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและจะได้ความสงบคือสมาธิจากการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ อำหรับธรรมที่จะพูดนึกแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องทุกข์เยี่ยไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่ามาเกิดเพราะว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เ อ, อ่อคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มทุกข์แล้ว พอเมื่อออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเองตานที่อยู่ในท้องแม่นี้มีแต่กินกับ น, นอนไม่ต้องทำอะไรแต่พอออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องหายใจเองถ้าไม่หายใจก็ต้องตายทันทีต่อจากนั้นก็ต้องมีการกินอาหารมีการดื่มน้ำ มีการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ตอนต้นก็อาศัยวิดามานดาเป็นผู้จัดหาให้หาอาหารให้หาเครื่องนุ่มห่มให้หาที่อยู่อาศัยให้หายารักษาโรคให้ถ้าขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่ง ร่างกายก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าขาดมากๆร่างกายก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ น, นี่เรื่องของความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิ ด, กดมาเลยเกิดมาเพื่อการเลี้ยงดูดูแลชีวิตของตนเองนี้ก็เป็นความทุกข์เพราะต้องคอยหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายอยู่เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีทุกจากธรรมชาติทุกจากอากาศที่หนาวเกินไปทุกจากอากาศที่ร้อนเกินไปทุกจากภัยทางธรรมชาติน้าท่วมบ้างไฟไหม้บ้างพายุบ้างแผ่นดินไหวบ้างนี่เป็นความทุกข์ที่ใครก็ตามที่มาเกิด ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับทุกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนอกจากทุกทางภัยทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีทุกจากบุคคลต่างๆอีกด้วยบุคคลที่มีความใจทารุณโหดร้ายคิดที่จะปองร้ายคิดที่จะตากตวงประโยชน์จากจากเรา เขาก็จะคอยจ้องคอยหาโอกาสคอยทำร้ายเราแล้วก็ยังทุกเกิด็จะดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเ <c oughs> ช่นโรคระบาดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็มีโรคระบาด ท, ที่ทำให้คนตายเป็นหลายล้านหลายล้านคนด้วยกัน นอกจากนั้นก็ยังมีพวกทุกที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทลายที่สุดก็ต้องตายไปนี่คือสารพัดของความทุกข์จากการที่ได้มาเกิดไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดตำ่ำ เกิดรวยเกิดจนก็ต <pues. S 1> ้องเจอกับความทุกข์เหมือนกันคนรวยก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนยากจนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนสูงคนใหญ่คนโตก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนต่ำคนขอทานข้างถนนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดในเพศไหนใน ฐานะไหนก็หนีพ้นไม่พ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะหนีให้พ้นจากความทุกข์ก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือการไม่มาเกิดอีกต่อไปนีการที่จะไม่มาเกิดได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกวิธีทาให จิตใจของพวกเราไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้สาเหตุของการมาเกิดของพวกเราว่าเกิดจากอะไรและเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรนี้สิ้นสุดลงได้ จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีมาเป็นครูเป็นอาจารย์มาคอยบอกคอยสอนให้รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิด mm. เหตุที่พาให้เรามาทุกข์นั้นได้แก่อะไร mm. เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือ กามตนหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่คือสามเหตุด้วยกันตันหาแปลว่าความอยากกามะแปลว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเรียกว่ากามะตนหาใจของพวกเราทุกคนนี้ มีกามะตันหาอยู่ในใจมีความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพ้าอยู่เรื่อยๆถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพวกเราติดรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพ้ากันเหมือนคนติดยาเสพติดต้องมีรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพ้าให้คอยเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพา้าเวลานั้นก็จะ ทุกทรมานใจมีความรู้สึกเศร้าเศร้าซ่อยหงอยเหงามีความรู้สึกหยุดหยิดลำคาญใจหรือมากกว่า น, นั้นก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจจึงต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาคอยเสกอยู่เรื่อยๆนี่เป็นสาเหตุอันแรกสาเหตุอันที่สองก็คือภาวะตัณหา เราอยากให้ได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้อยากมีอยากเป็นเกิดมาแล้วก็อยากจะร่ารวยอยากจะเรินในลาบยศสรรเสริญสุขอยากมีเงินมากๆอยากมียศมีตำแหน่งสูงๆอยากมีคนสรรเสริญยกย่องให้ความเคารพนี่คือภาวะตัณหา พอเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องดิน้นหนนหากันบางคนก็โชคดีเกิดมาในครอบครัวที่้วยแล้วก็ไม่ต้องดิ้นมาบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่สูงใหญ่มียศมีตำแหน่งสูงๆบางคนก็เกิดมาแล้วมีความสามารถมีความดีงามในตัวเองก็มีคนแต่ละเสริยกย่องเยี่ยนยอ่อ แต่พอได้มาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเสื aquela, كر, <t ries> <t ries in ่อมไม่อยากให้มันเสื่อมก็คือวิภาวตั่หาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวตั่หาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่ให้เสื่อมมีเงินก็ไม่อยากจะให้เสื่อมมียศมีตำแหน่งก็ไม่อยากจะให้เสื่อมมีสรรเสริญก็ไม่อยากจะให้เสื่อม มีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อยากจะไม่ให้เสือ่อมแต่ก็หนีพ้นความเสื่อมไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือโลกกระทำทั้งหลายนี้ได้แก่ลาบยศเสริญและสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นของชั่วคราว ม, มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา อันนี้คือสาเหตุที่พาให้ใจที่เป็นตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ใจเป็นดวงวิญญาณช่วงที่หลังจากได้ไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็จะมารอรับร่างกายใหม่ต่อไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะ เพราใจนี้ไม่ตัวใจเองไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายจึงต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกินรติลดผลตภะเพราะร่างกายนี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายตามีไว้สำหรับเสพรูปหูมีไว้สำหรับเสพเสียง จมูกมีไว้เสพเป็นลิ้นมีไว้สําหรับเสพรสแล้วก็ร่างกายมีไว้สัมผัสกับเสพผดภพะคือของที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศที่หนาวหรือเย็นหรือร้อนหรือของนุ่มหรือของแข็งเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าผดภพะที่ใช้ร่างกายเป็นเป็นผู้สัมผัสรับรูบ้ นี่คือสาเหตุที่พาให้มาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็จะมีภาวะตัณหาอยากร่ำอยากรวยอยากเจริญในลาบยศเสรรสริญสุขแล้วก็มีมีภาวะตัณหาอยากไม่เสื่อมในลาบยศเสรรสริญสุขอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพราะว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญถ้าไม่สามารถใช้ร่างกายได้ก็ไม่มี ไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขได้นั่นเองจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายคือไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายความไม่อยากแก่เจ็บตายนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากนี้ในพระอริยสัจสี่ทรงแสดงว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ใจทุกข์ เวลาเกิดความอยากขึ้นมาทีไรใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นอยากจะไปอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วพอถึงเวลาพอไม่ได้จริงๆก็เกิดความเสียใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดไม่มีความอยากได้อะไรใจก็จะรู้สึกเฉยเฉย ถ้าไม่ได้อะไรใจก็ไม่เดือดร้อนตัวที่ทําให้ใจทุกข์เดือดร้อนใจก็คือตัณหาทั้งสามนี้การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแะเป็นตัวที่พาให้มาใจมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายแต่ละร่างที่ได้มานั้นมันก็อายุไม่อยู่ยาวนานไม่ไม่อยู่ไปอย่างยั่งยืนถาวรเหมือนกับใจ ใจนี้เป็นตัวที่ไม่มีวันตายแต่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือของใจนี้มันมีวันตายกันทุกร่างกายบางพ บ, บางชาติร่างกายอาจจะมีอายุสั้นบางพ บ, บางชาติร่างกายอาจจะมีอายุอายุยืนยาวนานแต่ไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวก็ตามร่างกายในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปเพราะร่างกายอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตา อ น, นิจจังก็คือไม่เทีย่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นของชั่วข่าวก็แก่เจ็บตายเป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ไปสั่งมันได้ไปครอบครองว่ามันนี่เป็นตัวเราของเราเราจะสั่งให้มันไม่แก่สั่งให้มันไม่เจ็บสั่งให้มันไม่ตายไม่ได้ใครมีร่างกายแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกคน แม้แต่พระพุทธเจ้าพระ า, านันท์ทั้งหลายท่านก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เองแต่ว่าท่านสามารถห้ามใจของท่านไม่ให้ไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายอยู่ภายใต้กฎของตายลักน์ภายใต้ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอนัตตาไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงใจก็จะต้องทุกเวลาที่มันไม่เที่ยงถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความไม่เที่ยงของร่างกายก็อย่าไปอยากให้มันไม่เที่ยงยอมให้มันเที่ยงไปยอมให้มันแก่ไปยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปยอมให้มันตายไปพอใจยอมท่านั้นแหละใจก็หายทุกข์เลยใจจะรู้สึกเฉย ร่างกายจะเป็นจะตายไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือไม่หายไม่เดือดร้อนใจเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรความยิงใจไม่ได้เป็นอะไรนะร่างกายต่างหาผู้ที่เป็นร่างกายเป็นผู้ที่แก่เป็นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นผู้ที่ตายแต่ใจนี่ไม่มี ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแ่าที่ใจทุกข์เพราะว่าใจไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายหลงคิดว่าแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้อยู่อย่างแข็งแรงสมบูรณ์อยู่อย่างไม่อยู่อย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโกรธสพ้าอยู่เรื่อยๆนั่นเอง น, นี่คือเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของเหตุที่พาให้มาเกิดกันก็คือตัณหาทั้งสามนี้การ ม, มาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องไปหยุดกา ม, มาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาหยุดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆหยุดความอยาก ล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญแล้วก็อยากอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้นี้ก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือที่จะทําให้ใจนี้มีกําลังในการหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็คือ ศีลสมาธิปัญญานี่ต้องรักษาศีลเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าแล้วก็พัฒนาไปสู่ศีลแปดพอได้ศีลแปดแล้วก็จะสามารถไปฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้เมื่อใจมีความนิ่งมีความสงบมีการปล่อยวางได้มีออเบคาเวลาใจไม่ได้อยู่ในสมาธิ เวลาออกมาเจอกับความอยากต่างๆก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจร้อนขึ้นมาขณะที่อยู่ในสมาธิใจเย็นใจสบายแต่พออกจากสมาธิมาพออยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะทุกขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะให้ใจร้อนใจทุกข์อยากให้ใจเย็นสงบมีความสุขแบบในขณะที่อยู่ในสมาธิก็ต้องหยุดความอยากนี่คือปัญญาปัญญาจะบอกว่าตัวที่ทําให้ใจทุกข์ใจไม่สบายนี่คือความอยากและสิ่งที่ความอยากต้องการก็จะทําให้ใจทุกข์อีกด้วยเพราะสิ่งที่อยากได้มาให้ความสุขเช่นอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา สิ่งที่ได้มามันก็เป็นของชั่วคราวอยเป็นของอนิจจังเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยั่งยืนถาวรไม่ว่าจะเป็นลาบยศสลรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัในรูปแบบใดก็ตา่างเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาใหม่ๆก็มันก็ให้ความสุขกับเรา เวลามันเปลี่ยนไปแรือเวลามันจากเราไปความเศร้าวความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะคอยสอนใจห้ามใจไม่ให้ไปหลงกับการหาความสุขจากลาบยศสร ร, สรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภพชนิดต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราว เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับได้เจริญแล้วก็เสื่อมได้มาแล้วก็ไปได้ไม่มีใครไปห้ามมันไปสั่งมันได้มันมีเหตุมีปัจจัยเวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปไม่มีใครห้ามมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไปก็จะทุกข์หรือถ้าไปอยากให้มันไม่มาก็จะทุกข์ต้องรู้จักทำใจให้วางเฉยทำใจให้เป็นการ วิธีที่จะทำให้ใจเป็นกลางวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินี่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิใจจะไม่เป็นกลางใจจะไม่วางเฉยถึงแม้จะเห็นด้วยปัญญาว่าราบยศระเสสุขนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อเกิดความอยากได้ขึ้นมาก็ไม่มีกาลังที่จะหยุดมันมันก็จะต้องไปหา สิ่งที่อยากได้มาแล้วพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่อยากได้ที่ได้มาทันทีเพอะเมื่อได้อะไรมาก็จะรักจะหวงจะห่วงจะกังวลจะวิตกแล้วเวลารักษาไว้มันรักษามันไว้ไม่ได้มันต้องจากเราไปใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอนี่คือปัญญาที่เราจะต้องสอนใจ ให้เราอย่ามาหลงกับการหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ราบยศสระเสริญรูปเสียงจิตรสต่างๆนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครที่จะสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดและเวลาร่างกายตายไปเราจะเอาราบยศสละเสริญสุบไปกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่ง พอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ในโลกนี้ก็จะจากเราไปมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา mm hmm. ถ้าไม่อยากจะทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนว่า mm hmm. อย่ามาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อย่ามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพธะให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาเป็นการทําใจให้นิ่งให้สงบ ด้วยสติในเบื้องต้นก่อนแล้วพอได้ความสงบจากสติแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มมีความอยากก็ให้ใช้ปัญญามาระงับความอยากให้ได้ถ้ามีปัญญาก็จะระงับความอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากสี่รูปไม่ว่าจะเป็นการมารฐาหาภาวะฐันหาหรือวิภาวะฐาหาถ้ามีปัญญาปัญญาจาสอนบอกว่า ความอยากนี้กำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจและสิ่งที่อยากได้ก็จะเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ต่อไปลาบยศเสริญ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจกันแต่พอมันเสื่อมไปมันหมดไปมันจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจกันห้เห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่กล้าอยากจะไม่อยากได้อะไรต่อไป ความอยากที่เคยมีอยู่ในใจก็จะค่อยๆหายไปหมดหายไปด้วยอำนาจของปัญญาประกอบด้วยอำนาจของสติสมาธิคือก็คือวางเฉยถ้าสติไม่มีสติสมาธิจะวางเฉยไม่ได้ถึงแม้ปัญญาจะสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันเป็นทุกข์มันก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ต้องมีสมาธิ ด, ด้วย มีจิตที่สงบเป็นอุเบกขาพอปัญญาสอนให้ใจฝืนความอยากถ้ามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาก็จะสามารถฝืนความอยากได้อยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนการอยู่เฉยๆได้นี่ดีที่สุดเป็นความสุขที่สุดเพราะไม่มีความทุกข์ความอยากก็ไม่มีที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจสิ่งที่อยากได้ก็ไม่มี เพราะว่าไม่มีความอยากได้อะไรอันนี้แหละคือวิธีการที่จะทําให้เราสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจต่างๆได้หมดสึ้นไปด้วยการใช้สติสมาธิปัญญา ส, ส, สติสมาธิจะทําให้เรามีโอบเบกขาทําให้วางเฉยได้อยู่เฉยเฉยได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมีความสุขกับการอยู่เฉยเฉยได้แล้วพอ มีตันหาเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์และความตัวตัวตัหาเองก็เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นที่มามาทำลายความความสงบของใจดงนั้นต้องหยุดความอยากให้ได้เมื่อเห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ ถ้าใจมีอุเบกขาอยู่เฉยๆได้ก็อยู่เฉยๆหยุดไม่ต้องทําตามความอยากพอเกิดความอยากที่ไรก็เฉยๆไปอความอยากเหมือนคนที่เข้ามาชวนเราไปเที่ยวพอเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวครั้งแรกเข้ามาชวนเราถ้าเราไม่ไปครั้งที่สองเขาอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งพอมาอีกครั้งถ้าเราไม่ไปอีกต่อไปเขาก็ไม่มาชวนเราอความอยากก็เป็นแบบนี้ ถ้าเกิดความอยากแล้วเราไม่ไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดฤทธิ์หมดกำลังไปแต่ถ้าเราไปทำตามความอยากมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากก็จะไม่มีวันหมดถ้าเราคอยทำตามความอยากอยู่เรื่อยจะทาให้ความอยากหมดสิ้นไปได้ก็ต้องไม่ไม่ทำตามความอยากในการจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิ มีปัญญามีอุเบกขาสาารถสอนให้ใจอยู่เฉยๆได้ท่ามกลางความอยากถ้าไม่มีความไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากนใจจะดิ้นใจจะร้อนใจจะกะวนกระวายกัะสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับใจจะงดหิดรัญคาญใจขึ้นมาจะทนสู้กับความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากใจก็เฉยๆได้ แล้วถ้ามีปัญญาสอนใจว่าการไปทําตามความอยากจะพาให้ไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขก็เลยยิ่งไม่กล้าที่จะทําความอยากใหญ่พอไม่ทำความทาตามความอยากความอยากก็จะหยุดไปใจก็จะหายทุกข์ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดสิ้นไปการมาตัณหาความอยากที่พาให้เรามาเกิดก็จะหมดไปเพราะเราไม่ต้องเสกรูปเสียงกลื่ลอนลดผดสะพ้าอีกแล้ว ความอยากเศษกามาตัญหานี้หมดไปก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสบความอยากอยากมีอยากเป็นก็หมดไปความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็หมดไปด้วยกําลังของสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติกันในขณะนี้ก็คือมาเจริญสติให้มากๆ เพราะการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบในขณะที่นั่งสมาธิได้จาเป็นจะต้องมีสติคอยกากับใจมไม่ให้ใจคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีสี่สิบชนิดด้วยกันสี่กรรมฐานสี่สิบแต่ที่เราใช้กันนี้มีอยู่สองสามชนิดด้วยกันแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราใช้เพียงกรรมฐานเดียว เช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของของของใจของสติ mm hmm. ก็คือให้มีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธเรียกว่าพุทธานุสติ mm hmm. หรือถ้าเราใช้การดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เราก็เรียกว่าอานาปนาสติ mm hmm. ให้มีสติระลึรกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมให้สั้นให้ยาวให้รู้เฉยๆลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจลมมันละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถจับมันได้ทั้งเองแต่มันไม่มีมันยังมีลมอยู่ไม่ต้องกลัวตายไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออกมีแต่จะได้สมาธิกันทั้งนั้น ถ้าถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่ปลายจมูกว่าตอนนี้ไม่มีลมเข้าลมออกที่เราสัมผัสได้แต่อย่าปล่อยให้ใจไปหาไปคิดอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับจุดเดิมเหมือนกับตอนที่มีลมอยู่เดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้นะงั้นเวลาที่เราจะนั่งสมาธิกันนี้ถ้า อ, อยากให้ใจสงบ เราต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆแล้วก็ไม่ให้สนใจกับสิ่งที่ปรากฏในขณะที่นั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีเสียงก็ดีอะไรก็ดีอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อบรมจิตใจของเราควบคุมจิตใจของเราถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไป มีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจอย่าไปตามรู้ถ้าไปตามรู้ปั๊บนี้ใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ใจจะเข้าสู่สมาธิได้ต่อเมื่อใจไม่เปหลงหลงตามสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รู้อยู่กับกรรมาฐานที่ตนเองใช้อยู่ในขณะนั้นถ้าดูลมก็ดูลมไปมีเสียงมีอะไรมาปรากฏก็ไม่ต้องสนใจมีรูปมีอะไรปรากฏก็ไม่ต้องสนใจ ให้อยู่กับลมหายใจไปถ้าใช้พุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธไปถ้าบางท่านยังไม่สามารถใช้พุทธโธหรือใช้ลมหายใจได้มันจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆ เ, เช่นสวดอิติปิโสภักาวะาอรหังสัมมาสัมพุทธโธหรือสวดพุทธังสรนังกาชามิธรรมังสรนังกาชามิไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆ หรือไปลไปตามรู้อะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบมันจะไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาและอาจจะเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไปพาให้เราไปหลงไปเชื่อโดยที่มันไม่มีสาเหตุเป็นของความเป็นจริงอยู่เลยถ้าไปหลงแล้วก็อาจจะเสียเสียเสียได้ดันั้นอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ให ยืดให้กลับมาหาที่กรรมาฐานที่เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงอย่างเดียวเป้าหมายของการนั่งสมาธินี่นั่งเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบเพราะเวลาใจนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังเราต้องการความสุขจากการนั่งสมาธิเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผดสะพานชนิดต่างๆ เราก็จะมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิแทนทุกครั้งที่อยากจะไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดเราก็เปลี่ยนวิธีไม่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรดมาเสบสันติสุขเสบความสงบของสมาธิแทนถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเลิกกามาตัณหาได้เลิกความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลสะพสชนิดต่างๆได้อขอให้เข้าใจนั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นนั่นระลึกชาติได้หรืออะไรทั้งสิ้นอันนี้นมันเป็นสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการสมาธิแบบนิ่งแบบสงบที่จะทําให้เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเกิดอุเบกขาขึ้นมาสมาธิชนิดนี้เราต้องใช้สติกํากับใจให้อยู่กับ อารมณ์ของกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลออย่าไปที่อื่นถ้าไปที่อื่นแล้วการนั่งสมาธิก็จะล้มเหลวทันทีให้กลับมาที่ลมกลับมาที่พุทโธแล้วใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้พอเรารู้จักวิธีหาความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วต่อไปเราก็เปลี่ยนวิธีแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทน ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันต่อเวลาสําหรับการแสดงธรรมก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็พยายามเจริญสติกันไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งรอบข้างตัวเรารูปเสียงกลิ่นรสหรือร่างกายของเรานั่งแล้วมันจะเองจะยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปปรับไปไปแตะไปตั้งมันให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้า อยู่กับรือยอยู่กับการสวดมนต์ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดเวลาของการนั่งสมาธิตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็หมดลงแล้วขั้นต่อไปก็จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธาไมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลกวินาศตุ มาเตภวะตวันตาลายยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ285ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์304 YouTube ดร V 62วิทยุออนไลน์12คลับ h ฮ u s e 6นากุติ202รวมทั้งหมด871ท่านค่ะาเชิญถามได้เลยจ้าคนดังดัง หลวงตาขาทําไมหลวงตาถึงจับผู้หญิงไม่ได้อ่าผู้หญิงร้อนไงจับจับแล้วร้อนเหมือนไฟใช่ไหมหนจับไฟได้ไหมจับเตาได้มไหมได้ตับ<ไ>เหมือนอย่างนั้นอ่ะเพอะจับแล้วใจมันจะร้อนขึ้นมาหรือจับไม่ได้เพราใจยาวทุจริตก่อน ทไมหนูอยากจะรู้อ่ะฮะทมหนูอยากจะรู้ไปรู้ได้ไงว่าพระจับไม่ได้อ่อใครบอกหนะมาหมาบอกอ่อมาหมาบอกได้นะผู้หญิงเป็นเหมือนไฟนะผ้าเหมือนน้ามันเดี๋ยวน้ำมันกับไฟเจอกันน้ำมันไฟจะลุกขึ้นมาอเลยต้องแยกกัน เพอใจใยังเพราะยังอยากยังมีอีกหลังตาขาถ้าคนชาตินี้ทําไม่ดีตายไปจะเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ถ้าทําไม่ดีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นผีบ้างเป็นเปรตบ้าง<ผ>ไปไ<ม>นรกหริ ง, งอ่ามีผีจริงมีไงผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริง ผีที่มาหลอกเรานี่มันผีไม่จริงผีจริงก็คือใจเรานี่แหละจะไปเป็นผีต่อไปถ้าเราไปทําถ้าเราฆ่าตัวไหนเราก็ถ้าเราตายไปเราจะเกิดเป็นตัวนั้นใช่ไหมใช่เราจะไปถูกเขาฆ่าต่ออีกทีถ้าเราฆ่าแมวเราจะไปเกิดเป็นแมวใช่ไหมถ้าเราฆ่าหมาเราก็จะไปเกิดเป็นหมาใช่ไหมแล้วก็จะถูกเขาฆ่าด้วยแล้วก็จะถูกเขาฆ่าด้วอ่าเข้าใจไหม อย่าไปทำนะถ้าไม่อยากจะให้เขาทำทาเราเราอย่าไปทำเขาเคือเจ้าของตาค่ะคำถามจะพูดแล้วฟังนะกุฏิค่ะ ช่วงนี้ลูกได้ดูแลแม่ซึ่งเดินไม่ค่อยได้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินจะไปไหนมาไหนลำบากลูกต้องหาอาหารให้พ่อกับแม่ทั้งสามมือ้อลูกจะไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงลูกจะมีความรู้สึกว่าทั้งเหนื่อยและทุกข์มากที่ทำมานี้สี่ปีแล้วค่ะถามว่ามีธรรมะข้อใดหรื อ, ข, อข้อปฏิบัติใดคะที่จะทาให้ไม่ทุกข์ค่ะก็เราทาให้พ่อแม่แค่สี่ปีเองพ่อแม่ทาให้เรากี่ปี กว่าที่เราจะโตขึ้นมาเลี้ยงตัวของเราเองได้นี่ยยี่สิบปีมั้งยี่สิบกว่าปีกว่าจะเรียนหนังสือจบอะไรพ่อแม่เขาทําให้กับเราได้ทําไมเราทําให้กับพ่อแม่แค่สี่ปีนี้เขาจะเหนื่อยเพราะเราลืมบุญคุณของท่านพยายามเราเลิกถึงบุญคุณของท่านบ่อยๆนะเราเพึ่งแม่พ่อพ่อแม่ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยพ่อแม่ก็หาอาหารให้เรากินขณะที่อยู่ในท้องแม่ เราไม่ต้องทำอะไรอยู่ในท้องเนี่ยมีแต่ ก, กินกับนอนอย่างเดียวพอออกมาจากท้องแม่แล้วพ่อแม่ก็ต้องหาอาหารมาให้เรากินอีกหาเสื้อผ้ามาให้เราใส่ต้องดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงบุญคุณที่พ่อแม่มีกับเราแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำให้กับพ่อแม่นี่มันเป็นจิ๊บจ้อยเขาเจ้าบอกว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่ยิ่งใหญ่มาโหฬารต่อให้เราเลี้ยงดูท่านยกท่านไว้บญบาบนไหล ให้ท่านปัสสาวะอุจจาราใส่ร่างกายเราไอจนวันตายบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ใช้ไม่หมดให้เราคิดถึงบุญคุณของท่านแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเป็นหนี้นะเราเป็นลูกหนี้ตอนนี้เรามีหน้าที่จ่ายหนี้ค่ะกลับนมำสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเเคยมาเมื่อเดือนมกราคมมากราบท่านหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อแนะนําให้ ไปฝึกสมาธิเยอะๆแล้วก็ได้ฝึกสมาธิพร้อมกับฝึกสติปัญฐาสี่จนรู้สึกว่ า, าจิตว่างๆนิ่งๆเย็นๆแล้วก็แต่เห็นอะไรไม่ทราบมันยุบยิบยุบ ย, บ, ยบอยู่กลางอกเจ้าค่ะจึงมาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะมันเป็นยังไงยุบยิบยบยบอ่ะมันมันเหมือนกับมีอะไรพุดขึ้นมากลางอกมันแน่นๆเจ็บๆแล้วก็จุกค่ะ ิจนามันเป็นตายรักไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาค่ะเหมือนกับดินฟ้าอากาศค่ะมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับไม่ต้องไปสนใจมันพุทธแล้วดับพุทแล้วดับค่ะอไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะไม่รู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยวางแล้วก็ฝึกสมาธิดังมั่นต่ออ่าใช่ให้มีสติอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปตามที่หลวงพ่อแนะนําจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจวาค่ะทำได้ไหมค่ะอันเดียวค่ะ แสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอยังมีอะไรปรากฏอยู่ก็ใช้สติต่อไปพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอจิตสงบแล้วทุกอย่างก็จะหายไปคำถามจะพูดเรฟังนะกุติค่ะ ข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธแล้วมีทุกขเวทนาทางกายควรปล่อยมันไปแล้วบริกรรมพุโทโธพุธโทโธต่อด้วยความอดทนหรือควรพิจารณาเวทนาว่าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจนเวทนาหายแล้วค่อยกลับมาพุโทโธต่อดีครับเราทาอย่างไรได้ก็ทำไปเวลาต้องการให้ใจสงบสงบด้วยปัญญาก็ได้สงบด้วยสติก็ได้แล้วแต่เราจะ มีความสามารถจะใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไปได้ข้อที่สองเวลาเดินจงกรมพอก้าวเท้าครั้งหนึ่งนึกพุธก้าวอีกครั้งหนึ่งนึกโทเดินบริกรรมไปเรื่อยๆอยู่กับบริกรรมอย่างเดียวทำถูกต้องไหมครับถูกต้องนะอยู่กับเท้าด้วยเท้าเท้าว่าพุธเท้าว่าโถงี่นึกซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ข้อที่สาม ในชีวิตประจําวันพอมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทํากรรมฐานทันทีด้วยการแผ่เมตตาพอมีราคะก็นึกถึงปฏิคูลอสุภะสพอมีความโลภก็นึกถึงความตายคือดูกิเลส ท, ที่เข้ามาในจิตพอมีกิเลสอะไรเข้ามาก็จะหากรรมฐานที่เหมาะมาแก้ไขทันทีทําถูกไหมครับถูกแล้วกรรมฐานก็เหมือนยารักษาโรคใจเมือเวลาเราปวดท้องก็หายาแก้ปวดท้องมากิน ปวดหัวก็เอายาแก้ปวดหัวมากินโลคของใจก็คือความโรกความโกรธความหลงก็ต้องใช้ยาธรรมโอสถคือกรรมฐานข้อที่สี่ระหว่างสวดมนต์ยาวๆกับนั่งบริกรรมพุทโธสองอย่างนี้อย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับแล้วแต่ความสงบอันไหนสงบมากกว่าอันนั้นก็ได้บุญมากกว่าข้อที่ห้าใส่บาทที่ตลาดโดยไม่คิดเจาะจองพระรูปไหน แต่ตั้งจิตว่าถวายเป็นสังฆทานแบบนี้ถือเป็นการถวายสังฆทานหรือไม่ครับสังฆทานนี้ต้องถวายเป็นของส่วนกลางถ้าถวายบุคคลนี่ไม่เรียกว่าสังฆทานเรียกบุคคลิกะทานถ้าอยากจะเป็นสังฆทานต้องไปถวายที่วัดถวายกุฏิถวายเช่นถวายผ้าป่าถวายกระถินนี่เขาเรียกว่าเป็นสังฆทานเพราะถวายให้กับหมู่สงฆ์นะ ถ้าใสาบา่บาตบิณบาตนี้จะถือว่าเป็นการถวายให้กับบุคคลแต่แล้วแต่วัดอีกอะ่ะถ้าเป็นวัดสายวัดป่านี้ท่านจะเดินเป็นสายเดินไปเป็นกลุ่มแล้วก็ของที่มาถวายท่านก็จะไปแบ่งกันในทีหลังอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆทานได้คำถามจะพูดรับฟังนะกุติค่ะ พระโสดาบัานท่านมีวิธีปฏิบัติต่ออย่างไรจึงสำเร็จเป็นพระสะกิทาคามีคะท่าน้องพิจารณาสุภาพพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามร่างกายมีสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นต่างๆข้อที่สองขอทราบวิธีระลึกถึงมรณานุสติว่าคิดอย่างนี้ถูกต้อง คิดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ว่าตัวเราหรือทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราต้องตายหมดระลึกแบบนี้ถูกต้องและเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอควรรลึกต่ออย่างไรครับก็แล้วแต่ว่าใจเราหายกลัวหรือไม่การพิจารณามอนั้นนสติครับเพื่อให้เราหายจากความโกลัวตายให้เรายอมรับความตายให้ได้ข้อที่สาม ระหว่างทําบุญทําทานมากๆเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารกับพอมีกิเลสเกิดขึ้นชําระกิเลสได้อันไหนได้บุญมากกว่ากันและเพราะเหตุใดถึงได้บุญมากกว่าครับการชําระกิเลสนี้เป็นบุญที่สูงสุดเพราะทําทให้จิตใจสงบมีความสุขมากที่สุดข้อที่4ี่ขอทราบวิธีการแผ่เมตตาครับก็มีความปรารถนาดีกับทุกๆคนไม่ไม่คิดร้ายต่อใครไม่พูดร้ายกับใคร มีแต่ให้ความสุขกับผู้อื่นไม่หวังเอาประโยชน์จากใครไม่ไม่อค า, าพยาบาทใครเป็นต้นข้อที่ห้าขอทราบอานิสงส์ของการถือสินแปดในวันพระครับสินแปดนี้มีไว้เพื่อจเจริญในธคัมมะบารมีคือการละเว้นการหาความสุขจากกามคุณห้ากามคุณห้านี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเราเละการเสพกามได้เราก็จะได้ ที่สงเป็คำถามจากทางอินบ็อกซ์เฟซบ o ๊กค่ะพระอาจารย์ครับผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับพืชมงคลพระโคเสียงไทยงมงายไหมครับข้อที่หนึ่งขึ้นอยู่กับคำวันทํา หนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคำทำนายไปเพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่อให้ระวงังเพื่อให้เต็มตวัวหรือสองการทำนายทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อการอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรรดาลเราคิดว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยปราศจากความเข้าใจว่าชีวิตที่ดีเกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจนั้นไม่เป็นชีวิตที่ดีเกิดจาก การกระทำทางกายวาจาใจนั้นไม่เป็นจริงข้อที่สคํคำว่างมงายขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคลตัวคาทานายไม่ได้งมงายระดับความเชื่อมากน้อยของแต่ละบุคคลนั้นละ่ะจะเป็นตัววัดความงมงายของคนคนนั้นคือการทำนายนี่มันต้องตรงกับความเป็นจริงถึงไม่งมงายเช่นพระเจ้าทำนายว่าร่างกายของพวกเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้เป็นความจริงไม่ใช่ความงมงายเฉั้นเราต้องต้องรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดที่เป็นจริงและสิ่งใดที่ไม่เป็นจริงถ้าแยกไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปเชื่ออย่างพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปเชื่อที่ไหนที่พิสูจน์หรือเห็นชัดว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เชื่อได้คําถามจากคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะ ในขณะนอนหลับผมได้รู้ตัวว่ากำลังฝันจึงพยายามอยู่กับพุทโธเพื่อดับความฝันนั้นทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ไม่ทราบว่าจะไปดับความฝันทำไมก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันตอนที่เรานอนหลับเราก็ต้องการพักผ่อนถ้ามาคอยดับความฝันเดี๋ยวเราก็ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเท่าที่ควรแต่อยากจะทาก็ได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรคนจะ ท, ทาตอนที่เราไม่หลับดีกว่า พยายามหยุดความคิดปรุงแต่งในขณะที่เราตื่นส่วนเวลาหลับนี่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตไปคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะลูกสาวชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราถูกใจบ่อยๆจะทำอย่างไรดีคะทั้งที่ก็ปล่อยวางแล้วแต่จิตก็ยังอดคิดไม่ได้ค่ะมันวนไปวนมาค่ะพอพุทโท้พุโทเดี๋ยวก็กลับมาอีกค่ะก็คิดว่าเป็นการใช้นี่เก่าแล้วกัน ชาติก่อนเราคงทำนี้กับพ่อแม่ของเรามาก่อนชาตินี้เราต้องมาใช้กรรมกับลูกของเราต่อไปคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะการนั่งสมาธิเมื่อจิตไปคิดกับเรื่องๆขอโทษค่ะการนั่งสมาธิเมื่อจิตไม่คิดไปกับเรื่องๆอยู่กับ คำบริกรรมไปสักพักได้นั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อแนะนำพุทโธหายก็ให้อยู่กับความว่างไปเรื่อ ย, อยใช่ไหมคะใช่ให้อยู่ จ, จิตว่างนิง่งเฉยเยไม่ต้องทำอะไรมีความสุขมีความสบาย <c oughs> <loc? S 1> ต่อไปครับกรับนมัสการครับผม <c oughs> เว<อ>ลานั่งสมาธิแล้วรู้สึก เวลาผ่านไปไวอะครับคือสงสัยว่าโดยมากมันมันจะเป็นการการหลับไหมครับหรือว่าเราจะแยกยังไงกับการมีสมาธิครับก็สมาธิก็เรารู้สึกตัวตลอดเวลาลถ้าไม่รู้สึกตัวก็หลับก็ขอสอบถามอีกคำถามครับพระาอาจารย์มีการหลอ่หลอพระอบวิหารที่เจดีที่พระธัตพนมครับเรา ไปร่วมงานเนียมัน เ, เป็นประโยชน์อย่างไรแล้วก็ควรวางจิตยังไงครับผมก็เป็นการทำทานอย่างหนึง่งเป็นนามิสบูชาต่อพระพุทธศาสนาอ น, นิสงส์ก็เคยตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆจากการทาบุญทำทานของเราแต่ถ้าอยากจะได้อ น, นิสงส์มากกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติบูชาคือหลอพระในใจเราทพาพระ ทำใจของเราให้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาอันนี้ก็จะได้มากผลนิพพานได้ประโยชน์สูงสุดการปฏิบัตบิผมมีความสงสัยระหว่างการอ่าอย่างการไปไปร่วมงานเนี่ยครับมันเป็นการทําทําทานอย่าง <ทำ S 2> เดียวไหมครับหรือว่าเป็นการทําบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับกาบุญกับทานก็อันเดียวกันเนสียสละเงินทองเพื่อไปสร้างวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็คือเป็นการทําทานเป็นหลักเรียกว่ามิสบูชา มีชาในศาสนาพูดเป็นสองระดับอมิสบูชากับปฏิบัติบูบชาอมิสบูชาก็ทําบุญทําทานตายไปก็ได้ไปสวรรค์ปฏบิบัติบูชาตายไปก็ได้ไปนิพพานขอบคุณครับอ่าวหมดแล้วนะเวลาสําหรับวันนี้อาแค่นี้ก่อนนะอ้าวอ้าวคถามก็่ได้อะยั เหลือมีคําถามค่ะอะคําถามนึงก็แล้วกันคําถามจากทาง facebook ค่ะถ้าเรายืมเงินคนอื่นมาทําบุญคนที่ยืมมาจะได้บุญไหมครับแล้วคนที่ให้เขาลําบากเงินส่วนนี้ใครได้บุญครับคือถ้าเรายืมมาเราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปคือเราก็เป็นหนี้เขามันก็เป็นบาปเป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่ง